เจ็ดชั่วโคตรมาแล้วไม่มีใครเคยตายแต่ยังหนุ่มเลยท่านพูดปดแน่ๆคือปรากฏว่าเชื่อมั่นนะพรามคนนี้เชื่อมั่นว่ายังไงก็ไม่ใช่กระดูกของลูกชายของตัวเองนะ่าต้องเป็นกระดูกสัตว์อื่นหรือกระดูกลูกคนอื่นแน่นอนเพราะอะไรเพราะเชื่อมัน่นหรือว่าศรัทธาในตระกูลของตัวเองว่าเจ็ดชั่วโคตรมาแล้วตระกูลของตัวเองเนี่ย ไม่มีใครตายตอนหนุ่มทุกคนตายต่อเมื่อตอนแก่เท่านั้นขณะนั้นเองคนอื่นๆทั้งหมดในบ้านก็ได้ตบมือหัวเราะกันยกใหญ่เห็นเป็นเรื่องน่าขบขันนะักปรากฏไม่ใช่เพียงแค่พราหมณ์คนนี้เท่านั้ น, น, นที่อดขำไม่ได้น่าจะเป็นภรรยาของพรามณ์หรือว่าจะเป็นพวกคนรับใช้ในบ้านขำกันใหญ่คือไม่มีใครแม้แต่คนเดียวเชื่อเรื่องนี้ว่า อาจารย์เนี่ยไม่ใช่กระจ ก, กนะอาจารย์ที่มีเชื่อเสียงโด่งดังในตักกศิลานะมาบอกบอกว่าเนี่ยลูกของท่านตายแล้วแม้แต่คนรับใช้ ย, ยังไม่เชื่อเลยนะเขากลับมีศรัทธาว่าว่าเนี่ยตระกูลนี้ทั้งบ้านเนี่ยไม่มีใครตายตอนหนุ่มเลยอาจารย์ก็เลยยิ่งเห็นเป็นความอศัศจรรย์เย่ะเลยนะก็เลยพลอยมีความแบบว่า ยังอสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมมันมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยถามว่าท่านพราหมณ์ในประเพณีตระกูลของท่านที่คนหนุ่มหนุ่มไม่ตายถ้าไม่มีเหตุคงไม่อาจเป็นไปได้ก็แล้วเพราะเหตุอะไรเล่าอะไรเป็นข้อประพฤติปฏิบัติของท่านอะไรเป็นพรมาจารย์ของพวกท่านการที่ค น, คนหนุ่มหนุ่มไม่ตายนี้เป็นผลของกรรมอะไรที่ท่านได้ประพฤติมาเป็นอย่างดีแล้ว คนหนุ่มหมของท่านจึงไม่ตายคราวนี้พูดง่ายๆว่าชักจะเชื่อแล้วนะเพราะว่ามันประจักษ์กระสายตาแล้วนี่ไม่เพียงแต่ธรรมปาลกุมารคนหนึ่งละนะลูกศิษย์ตัวเองแท้ๆก็บอกว่ายืนยันว่าไม่มีการตายตอนหนุ่มนะเสร็จมาเจอที่นี่คนทั้งบ้านเลยก็ยืนยันอีกวันนี้เชื่อไปหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะคราวนี้อาจารย์นี่ชักเชื่อไปหลายเปอร์เซ็นต์แล้วก็เลยถามวิธีการแล้ว ไอ้ประพฤติอะไรมายังไงปฏิบัติยังไงถึงได้มีผลกรรมอย่างนี้ถึงได้บ้านนี้ทั้งทั้งบ้านนี่เจ็ดชั่วโคตรมาแล้วถึงมีแต่คนที่จะตายตอนแก่เท่านั้นทำไมต้องถามอย่างนี้เพราะว่าตัวเองตั้งใจมาอยู่แล้วถ้าตระ ก, กูลนี้เป็นอย่างนี้จริงมีข้อปรับปฏิบัติยังไงจริงนะแล้วเกิดผลอย่างนี้ออกมาได้เนี่ยจะเอาไปปฏิบัติแน่นะไม่หลงว่าตัวเองแค่แค่เป็นอาจารย์ใหญ่นะ สำเร็จวิชาต่างๆมาไม่หลงอย่า ง, งานั้นพร้อมที่จะรับความดีอื่นๆหรือว่าแนวคิดอื่นๆแนวปฏิบัติอื่นๆที่ดีจริงแล้วก็ยิ่งถ้าดีเหนือกว่าที่ตนมีก็ยิ่งจะกล้ารับนะไม่ยิ่งพยองหรือไม่แบบว่ามีอัตตามาณทิฏฐิที่จะโอก็เขาเก่งก็ให้เขาเก่งไปนะเขาดีกับเราก็ให้เขาดีไปเราไม่ต้องเอาก็ได้ เหมือนกับอาจารย์ของอะไรภาษารีบุตรนะพระโมคคลานะที่ที่ก่อนที่จะมาอยู่กับพระพุทธเจ้าอ่ะนะพอภาษารีบุตรกับพระโมคขาลานี้ไปบอกอาจารย์ว่า oh, โอ้โหพบพระพุทธเจ้าแล้วนะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้บอกไปอยู่ด้วยกันเถอะกับกับพระพุทธเจ้าอาจารย์ก็บอกเธอไปเธอนะบอกเราจะอยู่ที่นี่ของเรานะแต่อาจารย์เนี่ยอาจารย์ในชาดกเรื่องนี้นี่ไม่เป็นอย่างนั้นเลยพร้อม นะพร้อมที่จะรับสิ่งที่ดีกว่าที่จะทําให้ตนเองสูงขึ้นจเจริญขึ้นณนะตอนนี้พอถามไปอย่างนี้ปับ๊บนะพามพามณ์ที่บ้านนั้นนะ่ะพ่อของธรรมปาลกุมารได้ฟังดังนั้นแล้วก็พาลานาคุณแห่งอานุภาพที่เป็นเหตุให้คนหนุ่มในตระกูลนั้นไม่ตายว่าลองฟังดูนะคราวนี้ดูข้อประพฤติข้อปฏิบัติที่ทําให้คนเราเนี่ยไม่ตายตอนเด็กไม่ตายตอนแก่ไม่ตายตอนหนุ่ม แต่จะไปตายตอนแก่เท่านั้นพราหมณ์คนนี้บอกว่าพวกเราประพฤติธรรมไม่กล่าวมูสางดเว้นกรรมชั่วงดเว้นกรรมอันไม่ประเสริฐทั้งหมดเพราะเหตุนั้นแหละคนหนุ่มๆของพวกเราจึงไม่ตายวันนี้ข้อแรกนะก็คือว่าไม่มีการพูดโกหกในบ้านหลังนี้เด็ดขาดไม่ว่าจะเด็กไม่ว่าจะคนหนุ่มหรือคนแก่ทุกคน ซื่อสัตว์พูดกันตามความเป็นจริงนะไม่มีการโกโหกหมดเทศอะไรทั้งสิ้นนะบอกว่านี่เป็นเหตุนหนึ่งแหละที่จะทำให้เด็กกับคนหนุ่มไม่ตายมีแต่คนแก่เท่านั้นนะเสร็จแล้วก็พูดต่อไปอีกว่าเพราะเราได้ฟังธรรมของอสัตบุุษหรือสัตบุุษแล้วเราไม่ชอบใจของอสัตบุุษเลยละทิ้งอสัตบุุษเสีย แต่เราชอบใจทำของสัตบุรุษจึงคบสัตบุรุษเพราะเหตุนั้นแหละคนหนุ่มหนุ่มของพวกเราจึงไม่ตายเพราะนี้เป็นข้อที่สองก็คือว่ารู้จักคบบัณฑิตนะพูดง่ายๆรู้จักคบบัณฑิตนะพวกคนพาลไม่คบหรือได้ยินได้ฟังทั้งคนพาลก็พูดมาให้ฟังทั้งบัณฑิตก็พูดมาให้ฟังแต่รู้จักแยกแยะว่าอ้อนี่พูดมาอย่างนี้นี่ มันมิฉาทิฐินี่มันไม่ถูกต้องนี่ถ้าอย่างนี้ก็ไม่เอานะแต่ถ้าอันไหนพูดมาดีถูกต้องมีสมรรถทิฐิเอารับมานะมาประพฤติมาปฏิบัติว่านี่เป็นสุภาษิตนี่นี่เป็นธรรมะนี่ก็เอามาใช้ว่านี่เป็นข้อที่สองนะในในการประพฤติปฏิบัติอันนี้ต่อไปก่อนจะให้ทานพวกเราเป็นผู้ตั้งใจดีแม้กำลังให้ก็ชื่นชมยินดี ันให้แล้วก็ไม่เดือดร้อนใจภายหลังเพราะเหตุนั้นแหละคนหนุ่มๆของพวกเราจึงไม่ตายเพราะนี่เป็นข้อที่สว่ามีความยินดีมีความพอใจในการทาบุญทาทานแล้วทำไปแล้วก็ไม่ใช่มาเสียดายมาเสียอกเสียใจทีหลังอีกไม่นะทำไปแล้วให้ไปแล้วบางทีให้น้อยบ า, บางทีให้มากบ้างแต่เมื่อให้ไปแล้วนี่มีปิติมีความยินดีในสิ่งที่ ได้เสียสละนั้นไปนะก่อนจะให้ก็ยินดีกำลังให้อยู่ก็ยินดีให้ไปแล้วก็ยินดีเพราะฉะนั้นจิตของผู้ที่ที่มีบุญครบสมบูรณ์อย่างนี้นี่แหละทำให้ไม่มีทางที่จะตายตอนเด็กหรือว่าตอนหนุ่มอันนี้ต่อไปพวกเราเลี้ยงสมณะและพามคนเดินทางวันิพกยาจก และคนขัดสนทั้งหลายให้อิ่มน้ำสำราญด้วยข้าวและน้ำเพราะเหตุนั้นแหละคนหนุ่มๆนุมของพวกเราจึงไม่ตายเพราะอันนี้ก็คือนะไม่เพียงแต่ว่าทาบุญทําทานกับกับคนยากจนเท่านั้นนะนี่ทบุญไปหมดนะไม่ว่ากับคนโน้นไม่ว่ากับคนนี้นะไล่ขึ้นไปเลยจนกระทั่งไปถึงส ม, มณะเลยถึงนักบวช มันจะให้เห็นว่าจิตใจที่เราไม่อะไรอะ่ะไม่เป็นศัตรูกับใครนะเป็นมิตรกับทุกๆคนนะเผื่อแผ่กับทุกๆคนนะจิตใจอย่างเงี้ยเป็นจิตใจที่อะไรอะ่ะดีเป็นจิตใจที่มีศีลซึ่งจิตใจที่ดีอย่างเงี้ยนะักวิทยาศาสตร์เขาก็ค้นคว้า ม, มาแล้วนะใครที่มีสภาวะจิตใจดีมองโลกได้แง่ดีเนี่ยนะร่างกายเราก็จะหลั่งสารแห่งความสุข ออกมาให้คนนั้นเนี่ยนะมีอายุยืนยาวหรือว่ า, าทำให้สุขภาพเนี่ยแข็งแรงได้ดีว่ามันก็เป็นความจริงว่านี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะ น, นี่ข้อต่อไปพวกเราไม่นอกใจภรรยาภรรยาก็ไม่นอกใจสามีพวกเราประพฤติพรหมจรรย์ต่อผู้ที่นอกจากภรรยาของตน เพราะเหตุนั้นแหละคนหนุ่มๆของพวกเราจึงไม่ตายรานอันนี้ก็พูดง่ายก็กสีลข้อ3นะในศีล5เนี่ยมันจะให้เห็นเลยว่ามีสามีเดียวนะหรือว่ามีภรรยาคนเดียวแลนะไม่มีการที่จะมานอกใจกันทุกวันเนี้ยส่วนใหญ่ปัญหาที่มากที่สุดคือปัญหาที่คู่สมรสแต่งงานไปแล้วแล้วก็เกิดนะทะเลาะกันบ้างเกิดแตกแยก นะอย่าล้างอะไรต่างๆปัญหานี้มากที่สุดนะในสังคมเท่าที่สติติเขาทํามาปัญหานี้เยอะที่สุดวันถ้าใครเนี่ยอย่างน้อยๆเห็นไหมมาถือศีลอย่างนี้ได้มาปฏิบัติทำศีลข้อสามนี้ได้ปัญหาจะลดลงไปมากเลยไ อ, ไ อ, ไอ้ความหึงหวงการทะเลาะด่าทอการแย่งสมบัติเมียน้อยเมียลวงอะไรต่างๆโอ้นะมันจะลดลงไปเลย มันจะทำให้ชีวิตเนี่ยอยู่เป็นสุดใชมล่มเย็นสุขภาพจิตก็ดีสุขภาพกายก็ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาใจใส่ดูแลกันไม่ต้องไปมีบ้านหลายหลังให้มันปวดหัว น, น, นั่นก็เป็นอีกข้อหนึ่งแล้วยังมีอีกพราหมยังบอกต่ออีกว่าพวกเราทั้งหมดงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นสิ่งของที่เขาไม่ให้ในโลกไม่กล่าวไม่กล่าวเ ท, ท็จไม่ดื่มของเมา เพราะเหตุ น, นั้นแหละคนหนุ่มๆของพวกเราจึงไม่ตายนะอันนี้ก็เป็นศีลข้อที่1นะแล้วก็ศีลข้อที่5เพราะจะให้เห็นว่าที่พรามณ์พูดไปเนี่ยจริงๆแล้วก็คือศีลข้อต่างๆนั่นเองนะแต่อันนี้เป็นเรื่องในอดีตไปอีกนะซึ่งตอนนั้นเอ่อเป็นเรื่องผู้เจ้าเนี่ยท่านตัดเล่าในอดีตใช่เพราะตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีศีล5ศีลอะไรเพราะศีล5ศีลอะไรนี่ผู้เจ้าท่านบัญญัติขึ้นมา เพราะฉเรื่องในอดีตที่พระเจ้าท่านตรัสเล่าไปเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นศีลหศีลแปดอะไรอย่างปัจจุบันนี้ที่เรารู้อยู่เพราะพอเล่าพอพระผู้เจ้าท่านตรัสเล่าย้อนไปเนี่ยนั่นก็หมายถึงว่าพราหมณ์คนนี้ก็ประพฤติปฏิบัติจริงๆก็คือตามศีลนั่นเองเพราะเนี่ยไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์นะแล้วก็ไม่ไปมัวเมาในอบายามุกอะไรต่างๆเพราะนี่ก็เป็นพฤติกรรมหนะ้ที่พราหมณ์ตระกูลพราหมณ์เนี่ยเขาทํากันมา แล้วเอาแล้วข้อต่อไปอีกบุตรของพวกเราเกิดในหญิงที่ดีมีศีลเหล่านั้นจึงเป็นผู้ฉลาดมีปัญญาเป็นพระหูสูตรเรียนจบไตรเพศเพราะเหตุ น, นั้นแหละคนหนุ่มหนุ่มของพวกเราจึงไม่ตายเพราะยืนยันเลยว่าว่าเด็กที่เกิดกับพ่อแม่ที่มีศีลใช่ไหมเพราะว่าก็บอกว่าจะต้องเป็นเด็กที่มีสติปัญญาเพราะอะไร นะพ่อแม่ที่มีศีลเนี่ยส่วนใหญ่นะําก็จะต้องมีสั่งสมวิบากกรรมที่ดีใช่ไหมเพราะฉะนนั้ผู้ที่จะมาเกิดกับผู้ที่มีวิบากกรรมที่ดียิ่งสั่งสมเนี่ยเป็นเป็นหลายๆชั่วโคตรมาอย่างนี้มันก็ต้องเป็นผู้มีบุญมีบารมีที่จะมาเกิดอยู่ในตระกูลพวกนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เด็กที่เกิดออกมาก็จะต้องเป็นผู้ที่มีบุญบารมีนะอย่า ง, งน้อยๆก็จะต้องอะไรอะ่ะมีความฉลาดมีปัญญา นัญนาที่จะรู้ทุกรู้ ก, กิเลสแล้วก็มาซื้อสีอมาปฏิบัติธรรมต่อไปอีกวันนี้แหละเหตุเหล่านี้แหละก็ทำให้คนหนุ่มของของบ้านหลังนี้ก็ไม่มีใครตายยังมีอีกข้อต่อไปมารดาบิดาพี่น้องหญิงชายบุตรภรรยาและเราทุกคนประพฤติ ธ, ธรรมมุ่งประโยชน์ในโลกหน้าเพราะเหตุ น, นั้นแหละคนหนุ่มหนุ่มของพวกเราจึงไม่ตาย คืออันนี้เท่ากับให้เห็นว่าเชื่อเรื่องกรรมในในข้อนี้เพราะว่าทุกคนในบ้านหลังนี้เชื่อว่ามีโลกหน้ามีปาลโลกนะไม่ใช่ว่าเชื่อแล้วโอ้จะทําดีทําชั่วอะไรตายชาตินี้แล้วก็สูญไปนะไม่ใช่วันโลกหน้ามีเมื่อเชื่อว่าโลกหน้ามีเนี่ยแล้วคนที่จะไปได้ดีนะในโลกหน้าก็าจะต้องมีเชื่อในโลกเนี้ยที่ดีพอ ถึงจะส่งผลไปให้ได้ดีในในโรคหน้าด้วยอย่างเช่นไปเกิดในที่ที่ดีนะหรือว่าอะไรอะ่ะไปได้อยู่กับครอบครัวหรือว่าพ่อแม่ที่ดีได้มันจะต้องจะต้องมีการสะสมสิ่งที่ดีเอาไว้ในชาตินี้เพราะคนทั้งบ้านนี้เชื่อในเรื่องของกรรมแล้วว่าเออกรรมมีจริงแล้วก็กรรมมีผลถ้าทำกรรมชั่วก็ชั่วนะถ้าทากรรมดีก็สั่งสมกุปโกรรม ที่เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยให้ไปได้ดีนะเป็นสุขติคือได้ดีไปนะในในชีวิตในชาติหน้าต่อๆไปอันนี้ข้อต่อไปนะาตทาสีคนรับใช้และกรรมกรทั้งหมดแม้คนที่มาอาศัยอยู่ล้วนแต่ประพฤติธรรมมุ่งประโยชน์ในโลกหน้าเพราะเหตุนั้นแหละคนหนุ่มๆของพวกเราจึงไม่ตายนี่ก็เป็นอีก อีกข้อหนึ่งที่จะให้เห็นว่าไม่ใช่แค่พวกเจ้านายเท่านั้นทุกคนในบ้านแม้แต่พวกพวกคนรับใช้นะพวกทาสกรรมกรอะไรต่างๆภายในบ้านนี้เชื่อเรื่องกรรมทุกคนอันนี้ไม่ง่ายเลยนะเพราะบางทีเนี่ยแม้แต่พวกเราเองญาติธรรมต่างๆบางทีอนะนะเอาเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่บางทีเราต้องจ้างคนใช้มาอยู่บ้านมาอะไรบางทีเราไม่สามารถที่จะให้เขา มาถือศีลมาปฏิบัติทมได้แต่นี่ทั้งตระกูลเลยทั้งบ้านที่อยู่เรียกว่าแทบจะเป็นหมู่บ้านนี่แหละทุกคนเลยเชื่อเรื่องกรรมแล้วก็พยายามถือศีลปฏิบัติธรรมอย่างดีด้วยสุดท้ายพราหมณ์ได้แสดงคุณของผู้ประพฤติทธรรมว่าทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติทธรรมอันนี้ก็คือธรมโมหเวรัติ ธรรมจาลิงทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกคติยืนยันเลยพรามณ์บอกว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วปฏิบัติอย่างดีแล้วมีแต่ไปสุขกติเท่านั้นไม่มีไปทุกคติทุกคติก็คือไม่ไปเลวไม่ไปต่ํา ไม่ไปนรกทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมเหมือนมีร่มคันใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นธรรมาปาละบุตรของเราอันธรรมคุ้มครองแล้วกระดูกที่ท่านนํามานี้เป็นกระดูกอื่นแน่เป็นแม่นมั่นลูกของเราย่อมมีความสุขอยู่เพราะฉะนั้นยังเชื่อใจเลยนะเนี่ยเหตุผลต่างๆที่พรามิพูดมา นะยกเหตุผลต่างๆมาอ้างเนี่ยเพื่อที่จะมายืนยันว่าไม่มีทางที่กระดูกนี้จะเป็นลูกชายของตัวเองอาจารย์ได้ฟังดังนั้นแล้วจึงกล่าวว่าคือพูดง่ายๆว่าพอพรามนี้พูดข้อวัดข้อปฏิบัติต่างๆมาใช่มฟังแล้วแหมประทับใจเลยนะก็เลยบอกว่าการมาครั้งนี้ของข้าพเจ้าเป็นการมาดีแล้วหนอมีผลไม่ไรผลเลย แล้วก็มีความปิติยินดียิ่งก็เลยทําการขอขามาโทษกับกับเนี่ยกับพราหมณ์แล้วก็กับคนในครอบครัวนี้นะครอบครัวของธรรมปานกุมารเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะจริงๆตัวเองก็รู้ว่าว่าที่บัพูดเนี่ยโกหกนะครับง่ายๆก็คือผิดศีนั่นเองแต่ต้องการดูความจริงอ่ะก็เลยโกหกไปฉะนั้นก็เลยต้องกล่าบขอขามาขอโทษนะพอขอโทษเสร็จแล้วก็เลยบอกว่า นี่เป็นกระดูกของแพะจริงๆข้าพเจ้านํามาเพื่อจะลองท่านเท่านั้นบุตรของท่านยังสบายดีอยู่ท่านช่วยบอกธรรมะที่ท่านปฏิบัติรักษาแก่ข้าพเจ้าอีกเถิดแม่ฟังมาแล้วนะยังไม่พอยังรู้สึกว่ามีอีกไหมปฏิบัติอะไรอย่างอื่นอีกการกินอยู่หลับนอนนั้นะปฏิบัติยังไงที่จะทําให้แบบว่าโอ้มีแต่คนตายตอนแก่เท่านั้นเนี่ยขวนขวายอยากจะได้ นะยิ่งอยากจะได้เพิ่มใหญ่ไม่ไม่เหมือนพวกเราบางคนพอฟังเทศไปให้ข้อปฏิบัติไปแล้วยังไงพอก่อนเธอท่านแค่นี้ผมจะรับไม่ไหวอยู่แล้ว <c oughs> นะขอไว้ก่อนนะแต่ไม่ไดิ้นไม่เลยเห็นไหมเอาจใจคนนี้ยิ่งโอ้โหยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจยิ่งอยากที่จะฟังธรรมะนะยิ่งอยากจะรู้ข้อปฏิบัติอย่างน้อยน้อยก็รู้ไว้ก่อนนะไม่ขาดทุนหรอกนะอย่างน้อยน้อก็รู้ไว้ก่อนส่วนปฏิบัติได้ไม่ได้นี่ เดี๋ยวเราก็ค่อยๆเอาไปปฏิบัตินะทีละนิดเทียบหน่อยก็ได้แต่ถ้าเราไม่รู้เลยล่ะก็ยิ่งไม่มีทางเลยที่เราจะเอาไปปฏิบัติมัะรู้ไว้ใช่ว่านะอย่า ง, งน้อยสะสมไว้เพราะท่านยังยังบอกไว้บ่อยๆเลยอย่า ง, งน้อยอ่าบางทีบางคนมาฟังเทศบงทังธรรมรู้เรื่องบางไม่รู้เรื่องบ้างแต่ก็พยายามนะตั้งใจมาฟังมาฟังอย่า ง, งน้อยมก็สะสมเข้าไปนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเกิดปัญญา บางคนฟังแล้วเนี่ยรู้บ้างไม่รู้บ้างจริงๆบางคนนะ่ยมาฟังหลับบ้างไม่หลับบ้าง <c oughs> นะก็จะมีแต่อย่างน้อยๆเ่ยเราก็ได้ตัวตั้งใจได้ตัวความเพียรได้ตัวความพยายามที่นะจะมาเอาดีละเพราะฉะนั้นรับไปให้เต็มที่นะพอรับไปแล้วคราวนี้ค่อยไปดูว่าขีดความสามารถเรามีแค่ไหนนะเราควรจะทําอะไรก่อนนะอะไรกลางและอะไรหลังอันนี้เราจะต้องไปแยกแยะจะต้องไปรู้ อันนี้พออาจารย์นี่ก็แบบว่ามีอีกไหมก็ขออีกขอข้อปฏิบัติเพราะบอกดังนี้แล้วนะจึงให้เขียนข้อความลงในสมุดเสร็จแล้วอาจารย์นี่ก็พักอยู่ที่บ้านนั้นอีกสองสาวันเพราะว่าจะกรอบโกยนะกรอบโกยปัญญาอกรอบโกยความรู้ที่เป็นสัจธรรมเนี้เอาไว้พอกอบโกยอยู่สองสามวันเสร็จแล้วอิ่มและคราวนี้แล้วถึงค่อยกลับไปเมืองตากกาศิลา กนะกลับไปอบรมสอนให้ธรรมปาลกุมารศึกษาศิลปะทุกอย่างแล้วก็ค่อยส่งกลับบ้านนะ ส, ส่งธรรมปาลกุมารเนี่ยกลับบ้านอีกทีหนึ่งนะชาดกเรื่องนี้ก็จบโดยที่พระาศาสดาขันทรงนาพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแก่พระเจ้าสุดโททนะแล้วก็ทรงประกาศสัจธรรมในเวลาจบสัจธรรมนั้นพระเจ้าสุดโททนะได้ดำรงอยู่ในอนาคามิผล ผูดง่ายว่าเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พระเจ้าสุโทธทนะฟังเท่านั้นเองปรากฏว่าพระเจ้าสุโทธทนะฟังทาอันนี้เสร็จแล้วนะเรื่องเนี่ยธรรมปานกุมารเนี่ยจบปั๊บก็เข้าใจเลยนะสามารถที่จะได้เป็นพระอนาคามีลแล้วผู้มีพระภาคก็ตรัสว่ามารดาในครั้งนั้นได้มาเป็นพุทธมารดาในบัดนี้อาจารย์ในครั้งนั้น ได้มาเป็นภาษารีบุตรในบัดนี้นะส่วนธรรมปาลกุมารได้มาเป็นเราตถาคตเองนะนั่นผู้เจ้าท่านก็เฉลยให้ฟังว่าว่าธรรมปาลกุมารก็คือท่านในอดีตนั่นเองนะซึ่งตัวอย่างเนี้ยที่ยกมาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะให้เห็นถึงความศรัทธานะเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยถ้าใครมีจริงๆแลวเชื่อมั่นอย่างถูกต้องจริงๆแล้ว มันจะมีฤทธิ์มีพลังที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยอะไรอะทำอะไรหลายอย่างที่บางทีเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะทําได้ไม่เคยเชื่อเลยอย่างอาตมาเองเนี่ยก็ไม่เคยคิดจะมาบวชอย่างนี้นะไม่เคยนึกจริงๆในหัวสมองไม่เคยมีเลยแต่ก่อนนั้นน่ยตั้งแต่เรียนมาจนเด็กจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยออกมาเนี่ยยังคิดอยู่เสมอเลยว่าเออถ้าเรียนจบไปแล้วก็จะทํางาน ทำงานแล้วก็เอานั่นแหละนะ้เจอคนที่ชอบใจแล้วก็จะแต่งงานแต่งงานแล้วก็เก็บเงินทองก่อร่างสร้างตัวให้มีฐานะมีบ้านมีรถมีอะไรนั่นแหละก็คิดอยู่แต่อย่างนั้นแต่ก่อนไม่ได้นึกหรอกมันมาถือศีลน้มาถือศีลหนศีลแปดจนกระทั่งมาถือศีลเป็นนักบวชเป็นพระไม่เคยนึกจริงๆอยู่ในหัวสมองแต่พอตอนหลังเนี่ยได้มาเห็นบุคคลจริงๆ นัเหมือนกับอาจารย์นั่นแหละที่ได้มาเห็นคนอย่างธรรมปาลกุมารมาเห็นอย่างตระกูลของธรรมปาลนะ่ะว่าโอ้โหคนอย่างนี้มีจริงๆด้วยเหรอเขาถือศีลปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยแล้วเขาก็ได้ดิบได้ดีขึ้นมาจริงด้วยะนะอาตมาพอมาพบพระชาวโศกมาพบพวกชาวโศกต่างๆเอามาันตอนแรกก็ไม่สนใจเหมือนกันน่ะไม่คิดจะมาถือศีลอีกเหมือนกันแต่ตอนหลังก็ได้ยินได้ฟังมากเข้า เอาได้คุยบ้างได้คุยกับพระอโศกแต่ก่อนนั้นเอาท่านก็เทศให้ฟังมั่งคุยให้ฟังมั่งก็ยังไม่ปฏิบัตินะตอนที่จะมารู้จักแล้วก็ยังไม่ปฏิบัติแต่ก็เอาฟังฟังไว้ก่อนเน่ยก็ท่านมาคุยแล้วก็คุยกับท่านบางทีเราสงสัยอะไรแล้วก็ถามท่านบ้างคือไปไปมาม า, มาเนี่ยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อเราเนี่ยไปคบกับผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิผู้ที่มีความคิดที่ถูกต้องตรงศีลตรงธรรมแล้วแล้วท่านก็พูดมาให้เราฟัง เราก็เริ่มที่จะรับฟังแล้วก็เอามาวิจัยเอามาพิจารณานะเราก็ไม่เชื่อใครง่ายๆหรอกเราก็มีอัตตาของเราเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยไม่เชื่ออะไรง่ายๆอาตมาเองเนี่ยกว่าจะอามาจะเชื่อพระอโศกได้กว่าจะมาะเชื่อพ่อท่านจริงๆนี่โอ้อาตมาต้องลงทุนนะไปอ่านพระไตรปิฎกด้วยซ้ําไปว่าเอจริงหรือเปล่าเนี่ยที่พระอโศกพูดมั่ ที่พ่อท่านมาเทศสอนมั่งอาหมายังไม่เชื่อง่ายๆเลยยังต้องไปหาหลักฐานต้องไปอะไรต่างๆเสร็จแล้วในที่สุดแม้หลักฐานจะมีก็ยังไม่เชื่อง่ายๆกแหละเชื่อกันได้ยังไงล่ะถ้าจะมาบวช ย, ยิ่งถ้าจะมาอยู่กับพวกโศกนะมาถึงขั้นเป็นนักบวชนี่หมายถึงเอานะ้มาบวชก็มาบวชกันตลอดชีวิตนะชีวิตเราทั้งชีวิตนี่เรื่องอะไรเราจะไปยอมง่ายๆอาตมายังต้องเอาแหละเอาละมาท่านบอกว่าทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นะ แล้วท่านบอกว่าดีนะแล้วก็จะพ้นทุกข์ขึ้นมานะมีความสุขขึ้นมานะก็เลยค่อยๆลองดูทีลนิดนะเอาหัดลองลดมื้อลงไปหัดลองเลิกกินเนื้อสัตว์นะหันมากินมังสวิรัตหัดลองไอ้เรื่องอะไรอะ่ะฟุ่มเฟือยนะแต่ก่อนนี้ โ, โหเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรนี่อาตมาก็ฟุม่มเฟือยเหมือนกันแหละชอบแต่งเนื้อแต่งตัวอาตมาว่าไม่แพ้ผู้หญิงอ่ะ เพียงแต่อัตมาไม่ดัดจริตเท่านั้นเองนะที่ใช้คำนี้เพราะว่าอัตมาแต่งตัวของราคาแพงด้วยนะแต่ว่าไม่ได้แบบไปแต่งแบบกระตุ้งกระติ้งมาแต่งแบบแมนแมนแต่งแบบผู้ชายนะก็เลยบอกว่าไม่ได้ไปดัดจริตอย่างนั้นแต่ก็ยังเป็นกิเลสยังเป็นตัวติดอยู่แต่ว่าแบบของผู้ชายโอ้แต่ก่อนนี้ใส่รองเท้านี่อัตมาต้องซื้อรองเท้ารองเท้านอกใส่นะ ซื้อรองเท้าของนอกมาใส่คู่หนึ่งโอ้สมัยก่อนนี้คู่หนึ่งสามสี่ร้อยนี่แพงนะสมัยก่อนเพราะว่าสมัยก่อนรองเท้าที่ในเมืองไทยนี่เพื่ทเท่าไรยี่สิบบาทหรือยังไงเนี่ยนะแต่ว่าซื้อรองเท้านอกใส่นี่มัน 300, 400, นะสามร้อยสี่ร้อยนะใส่ชุดที่ใส่นี่ก็นั่นแหละตอนแรกๆก็โอ้ไปซื้อ สมมติว่าถ้าชอบใส่ ย, ยีนอย่างเงี้ยต้องไปซื้อของแท้ต้องไปซื้อแรงเลอร์นะของนอกมาใส่ของในนี้ไม่ใส่ของปลอมไม่เอาของแบบว่าตัดในเมืองไทยแล้วเอาตาแล้วแร็งเลอร์เอาตาอะไรที่จะเมืองนอกมาแปะไม่เอาเราไม่ซื้อหรอกอย่างนั้นแล้ววันอันมาก็ติดมาคือคือไม่เชื่อเลยจริงๆว่าเอ๊ะเราจะเลิกอย่างนั้นมาได้แต่พอเราลองถือศีลปฏิบัติธรรมเราลดละจริงๆแล้วเออไอที่เราไปหลง เราไปเคยมีความเชื่อนะไปมีศรัทธาแบบแบบโลกโลกแบบที่ว่ามาจะต้องรวยจะต้องมีเงินต้องอยู่สุขสบายอย่างนั้นเออมันลดมันละมันล้างได้จริงๆ จ, จนในที่สุดเราก็มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นจากการที่เราได้ยินได้ฟังผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิบอกสอนบอกกล่าวเราแล้วเราก็เอาไปประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะศรัทธาเราเนี่ยก็ยิ่งหนักแน่นยิ่งมั่นคงขึ้น นะจนกระทั่งแบบว่าเราก็เริ่มมีสัมมาทิฏฐิกับตัวเองเนี่ยมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งคราวนี้นะเราเองเราเริ่มที่จะทำเกิดกับตัวเราเองขึ้นมาได้จริงๆริคราวนี้มันไม่ใช่แค่ความเชื่อธรรมดาแล้วความเชื่อเพียงแค่ได้ยินได้ฟังมาอันนั้นนะ่ะผิวเผินความเชื่ออย่างนั้นหรือเราใช้ว่าศรัทธาอย่างนั้นเนี่ยนะรับประกันอะไรกันไม่ได้เลย ไม่สามารถจะรับประกันอะไรกันได้เพราะอะไรเพราะมันเรื่องจิตแต่มันแปรปวนง่ายเหลือเกินมันอ่อนไหวเหลือเกินจิตคนเราเดี๋ยวบางทีบอกว่าโอ้สัทธาท่านยังนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไม่สัทธาแล้วมันมันง่ายมากบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้สัทธาจริงเลยไงวิธีการปฏิบัติของชาวโศกแต่บางทีพอไปฟังคนที่เขาด่าว่านะเขาพูดเสียเสีย ห, หายเขาพูดไอ้มุมอะไร่ะ มุมที่จะตาหนิ lovely, ที่จะว่าชาวโศกนะโอ้โหก็หาหาเหตุผลมาต่างๆนานาด้วยนะมีแนวที่น่าเชื่อถือด้วยนะมีอะไรนะข้อมูลมีหลักฐานอย่า ง, งานั้นอย่างนี้บางทีพอไปฟังนะเอาแล้วบอกเออจริงนะเขาก็พูดถูกนะนะในที่สุดนะที่บอกว่าศรัทธ า, าโศกอย่า ง, งานั้นอย่างนี้บางคนถึงขั้นเคยปฏิบัติมาบ้างแล้วแต่แต่พูดง่ายๆว่ายังไม่แก่กล้านะยังไม่เป็นศรัทธาที่ เกิดมากเกิดผลกับตัวเองจริงๆแล้วเปลี่ยนพลิกเลยบางคนพลิกจนกระทั่งไม่ใช่แค่ไม่ไม่ศรัทธาชาวโศกเท่านั้นนะเผลอๆยังกลับมาด่ายด้วยว่าโอ้เนี่ยอะไรนะตอนนั้นนไปอยู่ โ, โดนหลอกอย่างงั้นอ ย, างง ย, อยา่างนี้อนะไรต่างนานาซึ่งนี่แหละอ น, นันท์ถึงบอกว่าใครที่จะมีศรัทธาแท้ๆที่เป็นของพุทธแล้วพระเจ้าถึงได้ตรัสเลยยืนยันเลยถ้าใครสามารถสร้างศรัทธาจนกระทั่ง นะถึงขั้นเป็นพระโสดาบันไดนะ้ซึ่งเราจะต้องไปเรียนรู้แหละ ว, ว่าคุณสมบัติของพระโสดาบันเนี่ยจะมะีขั้นไหนนะวันนี้เวลาไม่ไมไมพอแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเรียนรู้เราเข้าใจว่าอ้อเอาง่ายๆถ้าถือศีลห้าได้บริสุทธิ์ได้ถูกต้องนะโดยที่เราเนี่ยพ้นสักกายทิฐิได้กิเลสหยับยาบใหญ่ๆต่างๆนะ ในเรื่องของศีลห้าเนี่ยเราสามารถที่จะถือศีลห้าได้บริสุทธิ์พ้นสกฤตทิฏฐิมาได้นะเราไม่ถือศีลอย่างศิลลพัตตาปา마ศไม่ไปถือแบบอะไรย่อๆห ย, ย่อนหย่อนออวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีนะวันนี้ยังไม่ต้องถือศีนนะเอย่าอารมณ์ดีหน่อยแล้วค่อยถือศีนนะไม่ใช่ศิลปินแบบโรคๆอย่างนั้นนะถ้าถือศีนต้องถือจริงๆนะต้องเอาจริงเรา ให้สัญญากับตัวเราเองหรือว่าเราให้สัจจะกับตัวเราเองว่าเราจะถือศีลให้บริสุทธิ์เราก็ต้องตั้งใจพยายามล้มไม่เป็นไรถ้าเราตั้งใจจะทํำแล้วแต่ว่ามันพลาดพั้งไปบ้างแล้วมันเผลอไปบ้างขาดสติไปบ้างนะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าเราต้องยอมรับเออเรายังไม่เก่งนะสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลัง้งว่ามันมีโอกาสพลาดพั้งกันได้แต่ถ้าตาบดเนี่ยเราเอาจริงอยู่เรามีความเพียรความพยายามล้มแล้วก็รีบลุกขึ้นมาใหม่ นะพยายามปฏิบัติอีกทําอีกให้มันดีให้ได้พหันใครเนี่ยถือศีลอย่างจริงจังอย่างนี้ก็จะพ้นศีลและพตาปา마สนะไม่ใช่ไปรูปคําศีลเล่นๆหันถ้าใครเนี่ยยิ่งปฏิบัติอย่างนี้นะ่าถูกต้องตรงทางถูกสัมมาทิฏฐิยิ่งขึ้นคนนั้นก็จะยิ่งมีศรัทธาที่เกิดกับตัวเองเนี่ยยิ่งหนักแน่นยิ่งมั่นคงเหันคนเนี่ยยิ่งมีศรัทธาที่ตรงทางหนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้น คนนั้นก็จะยิ่งพ้นวิจีกิจฉาพ้นความลังเลพ้นความสงสัยเหมือนกับคนเลิกกินเนื้อสัตว์แล้วมากินบังสวิรัชเนี่ยจะพ้นความสงสัยเลยว่ามีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องกินเนื้อสัตว์ได้เลยนะกินบังสิวิรัชเนี่ยได้ตลอดชีวิต